คำสองอย่างนี่แหละอยู่กับบุคคลใดแปลว่าคนนั้นเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้มีสติและสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองถ้าพวกเราคิดดูคห้ดีสิพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองเลยคำนี่ ท, ทําไมถึงว่าอย่างนั้นถ้าคนขาดสติล่ะถ้าคนเป็นบ้าล่ะไม่มีสัมปะชัญญะความรู้ตัวว่าข้าข้าจยเป็นใครฮะ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 ผู้ที่จะทําลายศาสนาของเราแต่เถ้าคดก็คือพุทธบริษัทนี่แหละแต่เพราะว่าผู้จะทําลายก็ตามผู้จะส่งเสริมพุทธศาสนาก็ตามคือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเราจะส่งเสริมหรือเราจะทําลายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็ควรส่งเสริมแต่เมื่อเราเห็นไร้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 เงินเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาโอ้ถ้ามีเงินแล้วเราจะซื้อซื้ออะไรก็ได้นเราจะทำอะไรก็ได้นั่นละวิปัสนาพอออกเดินออกไปแล้วนี่อย่างครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำเตลิดเปิดเปิงเลยมแตรหาเงินอย่างเดียวเนีะนีอจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอยู่เวลากินมีแต่หาเงินเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการหาเงินท่านก็บอกว่า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 จากนั้นก็มาดูที่ใจอีกทีนี่ดูที่ใจดูตัวผู้รู้อย่างเดียวทีนีเ อ, อมันอยู่ที่ใจมันมีอะไรมันก็วิ่งรุดิกดุดิกดิกุดิด ก, ดด ก, ดดกเอีอ่ยอยากจะออกไปมันดูตัวนี้กันเนี่ยนะนึกคิดในเรื่องต่างๆที่เขามาสู่จิตใจตัวนี้ลหละตัวดุกดิกรุดิกในจิตใจนะเนี่ยมอยาจะออกันดตัวนิจันเนี่ยนะนกขิดองอาา่างๆที่าสิ่งไหไัวนี้แหลุกิเรี่ยมก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 ขั้นตอนมาถึงจุดจบของผมอาจารย์ของพุทธะนะการกล่าวและการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติตอนนี้ไปนั่งสมาธินะภาวนาเวลานั่งฟังเทศไม่ต้องส่งเสียงส่งใจไปหาเทศหรอกให้สติอยู่กับตัวเองบริกรรมพุทโธพุทโธเสียงมาเข้าหูเสียงมาเข้าหูก็เข้าใจเสียงมาหูก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจในี่แหละวิธีการฟังเทศนะ